ธัรมปัญญายนาสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่สี่เหนือเหตุผลกลนความสิ่งที่เรียกว่าความรู้และอาการรู้นั้นต่างกันสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันความรู้นั้นกเกิดจากการอ่านจำคิด ประสิทธิภาพของความรู้อยู่ที่ความจำถ้าคุณจำได้แม่นจำได้มากก็คิดได้เก่งคิดได้ไกลถ้าจำได้น้อยก็คิดได้น้อยคิดไม่เก่งถ้าจำไม่ได้เลยก็คิดไม่ได้คิดไม่ออกดังนั้นกระบวนการของความรู้จึงเป็นการสสมหน่วยของความจำในเมื่อเรายงความจำเหล่านี้เข้าด้วยกัน สำเร็จรูปออกมาเป็นความคิดเป็นทฤษฎีได้คนที่จำอะไรได้เยอะก็เข้าใจอะไรได้กว้างคิดเก่งหาบทสรุปได้ดีนั่นคือความรู้ผู้ใดที่ความจำเสื่อมหรือมีข้อมูลไม่พอประสิทธิภาพของความรู้ก็ย่อนส่วนสิ่งที่เรียกว่าอาการรู้นั้นเป็นความสว่างสวยัยพร้อมที่จะรู้ ซึ่งเป็นตัวความรู้ในตัวเป็นอาการรู้ตัวเนื่องในสรญชาติยานและการพลงตัวของจิตแกนกลางของวิทยาการเหล่านี้อยู่ที่การอย่างรู้หรือการพยากรณ์คาดคิดการเพิ่มและลดปริมาณในลำดับแห่งเวลาหรือเหตุการณ์เช่นวิทยาการที่เรียกว่าคณิตศาสตร์หรือตรา ก, กวิทยา ว่าด้วยเหตุส่งให้เกิดผลใดอย่างไรในช่วงไหนซึ่งอาจแทนด้วยสัญลักษณ์เส้นตรงลากจากซ้ายไปขวาจากเหตุไปสู่ผลส่วนโพธิหรืออาการรู้นั้นไม่ได้อยู่ในลำดับแต่เป็นอาการรู้อาการโพลงตัวล้วนๆโดยไม่รู้อะไรอย่างจำเพาะเพียงรู้ล้วนๆไม่เนื่องกับเหตุซึ่งส่งผล เหนือเหตุผลกลนความซึ่งอาจแทนได้ด้วยสัญลักษณ์วงกลมเมื่อสิบห้าปีที่แล้วผมเป็นนักบวชอยู่ประมาณสักสีทุ่มชาวประมงหนุ่มมุสลิมคนหนึ่งขับเปอหางยาวมาพบผมตอนนั้นผมอยู่บนหาดทรายแก้วจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าเขาไม่สามารถคุยกับโต๊ะอิมามหรือโต๊ะครูคนใดไ ด, ได้เพราะ ถูกหาว่าหัวแข็งก้าวร้าวเพราะไปตั้งคำถามแปลกแปลกกับผู้นำทางศาสนาเหล่านั้นเขาเล่าว่าผมแปลกใจมากที่บางวันผมแล่นเรือไปหาปลาผมรู้สึกว่าบางขณะบางวันทะเลใหม่เอี่ยมบางวันทะเลเก่าผมรู้สึกชอบใจเด็กหนุ่มมุสลิมคนนั้นผมคิดว่าเขาเป็นผู้มีปัญญา มีอาการตื่นตาตื่นใจสูงทางทางที่จบป .4 ในขณะที่โตอิหม่ามนั้นอาจเต็มไปด้วยเฤษฎดีและข้อสรุปมากเกินไปจนพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องตามความเข้าใจของผมอาการรู้เป็นอาการตื่นโครงเป็นรากฐานทั้งหมดของศิละปะวิทยาการเพราะเมื่อไม่ตื่นตัวแล้ว บุคคลก็ไม่สามารถเรียนรู้อะไรอย่างบริสุทธิ์แจ่มแจ้งได้ความรู้และกิริยาที่รู้อาการรู้ซึ่งเป็นไปเองในวาระที่เหมาะสมเป็นความรู้หรือญาณนอกลำดับไม่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดปริมาณถ้ารู้ตัวมากๆเข้าเราก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับโง่มันไม่ได้ทวีหรือลดคุณค่าอะไร แค่รู้ตัวเฉยๆดังนั้นความเข้มข้นของอาการรู้นี้จะทําให้เรารู้สึกอิ่มๆเต็มๆที่เรียกว่าเป็นคนเต็มส่วนคนที่มีความรู้ครอบครองข้อรู้ไว้อย่างมากมายนั้นเต็มไปด้วยทฤษฎีและข้อสรุปเมื่อเต็มไปด้วยทฤษฎีแล้วการแบกทฤษฎีไว้ก็ผลิตผลออกมา เป็นความไม่พอใจหรือความขัดเคืองต่อทุกทุกสิ่งเพราะหลักทฤษฎีนั้นเองทำให้ลำบากจิตที่ยึดติดหลักนั้นเป็นจิตที่วุ่นวายลาบากเมื่อสมัยผมเป็นพระใหม่ผมติดทฤษฎีมากมองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางกรอบทฤษฎีกรอบทัศนาที่ตัวเองยึดถือไว้ดังนั้นโลกจึงปรากฏแก่ผู้ยึดที่มีกรอบในการมองอย่างหนึ่ง และปรากฏเพียงส่วนเสี้ยวและพิกลพิการโดยไม่รู้ตัวมันจึงกลายเป็นซอกแคบผู้ที่แกท่ทฤษฎีมากมากแม้จะมีความรู้ลึกซึ้งก็จริงแต่จะแคบเข้าทุกทีโดยเฉพาะนักคิดที่เรียกว่าผู้ชำนาญพิเศษจะกลายเป็นผู้รู้อะไรทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดก็ล้นไปด้วยความรู้แต่อาการรู้ตัว อาการรู้ตื่นไม่รู้อะไรมากเพียงรู้ตัวและรู้ดีต่อธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ผิดเพี้ยนวิปลาดเลยของขวัญอันล้ำค่าชีวิตเป็นของขวัญอันล้ำค่าซึ่งมันแสดงออกในปัจจุบันในขณะนี้ถ้าเราซาบซึ้งกับชีวิตได้เราก็จะได้รับของขวัญ ทำไมเราถึงรู้สึกกับชีวิตตามที่เป็นจริงไม่ได้ดูเหมือนว่าชีวิตกลับกลายเป็นภาระหนักเป็นความเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานกลายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังตั้งแต่เกิดเรียนหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตามแต่ล้วนต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพหนุ่มๆสาวๆหน้าตางดงามในวัยต้นแก่เท่าเข้า มีลูกเต้าก็สุดโสมผิวพรุน์เนื้อหนังก็หย่อนยานลงอารมณ์ก็บูดเน่าง่ายในที่สุดชีวิตก็กลายเป็นสัตว์ลำบากอายุมากแล้วก็น่าเกลียดผมคิดว่าชีวิตน่ากลัวแต่พร้อมกันนั้นน่าจะมีช่องทางหนึ่งทางใดที่ชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งง่ายๆรื่นเดิงได้เมื่ออายุมากขึ้น น่าจะมีชีวิตที่งดงามได้อะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตงดงามถ้าสำรวจดูหลักธรรมของพุทธศาสนาหลักธรรมสองประการซึ่งเป็นธรรมทำให้งามนี้คือความอดทนหรือคันติและความสเสงี่ยมหรือโสรัจะทำสองอย่างนี้ถูกระบุควบคู่กันเสมอสเสงี่ยมหมายถึง เจียมใจคือทนได้อย่างสงบเสงี่ยมเพราะว่าถ้าทนได้อย่างดุเดือดแล้วก็ไม่งามเป็นการทุรนทุรายมากกว่าความเสงี่ยมถ้าไม่มีความอดทนก็กลายเป็นความไม่กล้าสู้ชีวิตถดถอยผู้เท่าหรือแม้แต่หนุ่มสาวที่มีความทระหดอดทนและทนได้อย่างดีคือไม่โวยวายมีปฏิกิริยา ไม่เรียกร้องต้องการอะไรเพื่อตนเองทนได้อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตนไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนแก่หรือหนุ่มสาวเขาเป็นผู้งดงามยิ่งเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมข้อนี้ไม่ได้เกิดจากความรู้ผมสังเกตดูคนมีความรู้สูงหรือมากเกินทำงานไม่ค่อยได้และมากกว่านั้น ก็ค่อนข้างน่าเกลียด น, น่าชังเช่นความเย่โสความถือว่าตัวเองรู้อะไรมากกว่าชาวไร่ชาวนาการศึกษาไม่ว่าของชาติไหนได้แบ่งแยกผู้คนออกเป็นชนชั้นนักศึกษาทั้งที่ความจริงชีวิตของเขาไม่ได้ดีไปกว่าชาวไร่ชาวนาเลยตรงกันข้ามผู้ที่มีความรู้มากอาจเอาเปรียบเก่งด้วยซ้าไป ในเมืองจีนนั้นเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ชของจื้อเป็นหัวแถวของชนชั้นนักศึกษาปรากฏว่าชนชั้นนักศึกษาได้รับการรับรองมากตั้งแต่พันปีแล้วมารุ่นรุ่ น, นสมัยพุทธกาลที่จริงชาวบ้านทั่วไปมีความฉลาดอยู่ตามทางของเขาเวลานั่งแท็กซี่ผมชอบที่จะซักไซหาความรู้กับคนขับ เขาวิจารรัฐบาลให้ฟังอย่างแม่นยำเขาก็จนชีวิตยอย่างแท้จริงในขณะที่นักศึกษาหรือศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีชีวิตอีกแบบหนึง่งในชีวิตมนุษย์เรานั้นศรัทธาและการกระทำจะต้องมาด้วยกันถ้าศรัทธาและการกระทำแตกแยกกันก็เกิดภาวะการหลอกลวงตัวเองหรือผู้อื่น เมื่อศรัทธาได้พัฒนาปัญญาการกระทาของเราก็จะมีผลมากขึ้นมาเป็นอิสระภาพโดดเด่นขึ้นคันเตและโสร จ, จะย่อมให้ผลดีเสมอต่อผู้ปฏิบัติชอบไม่ว่าทางธรรมหรือทางโลกโดยเฉพาะต่อผู้ภาวนากล่าวคือทนต่อภาวะบีบคั้นของกิเลสจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เรียกร้องต้องการจากชีวิตน้อยลงความสุขในชีวิตประจำวันนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรามักขาดแคลนชีวิตประจำวันของเราทำให้เราร้าวรานเกินไปเราต้องการมากเกินไปทั้งอยากเสริมสร้างนิสัยของเราให้เป็นไปทางนั้นมากกว่าคำนึงถึงดุนยภาพของชีวิตนิสัย ถือว่าเป็นผลโดยลำดับของวิวัฒนาการทางชีวภาพและทางสังคมมันเกิดจากการแข่งเพื่ออยู่รอดชาวดาวินถแถลงว่านิสัยเกิดจากการคัดเฟ้นตามธรรมชาติเนื่องด้วยต่อสู้กันจนเป็นนิสัยทีนี้เมื่อนิสัย ฝ, ฝังตัวไปนานๆก็เกิดเป็นสัญชาตญาณถูกถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นถัดไปไม่ว่าเป็นสัตว์หรือพืช หรือมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมนุษยชาติได้ต่อสู้ตามคันลองของธรรมชาติมานานแล้วก็ถ่ายทอดสัญชาตญาณ น, นั้นผ่านทางพันธุกรรมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อสู้เวลาที่ไปทํางานนักเรียนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นศัตรูกันด้วยเพราะคนที่ยังไม่เป็นเพื่อนนั้นเราอย่าไม่เรียกเขาว่าศัตรู ศัตรูคือมิตรที่แปรพักไปนั่นเองคนที่ไม่ใช่มิตรของเราเขาก็ไม่น่าจะเป็นศัตรูกับเราเวลาเรามีปัญหาอันเกิดแต่แรงลิสยาเราคงไม่ลิสยาคนที่เราไม่รู้จักถ้าเราได้ยินว่าเจ้าชายหรือเจ้าหญิงประเทศหนึ่งร่ำรวยมหาศาลเราก็เฉยเฉยอยู่แต่ถ้าเป็นน้องหรือเพื่อนร่วมรุ่นนั้นเราอาจทนไม่ได้ เพราะเราสามารถคิดเปรียบเทียบว่าเขาดีกว่าเราเขากํำลังแข่งกับเราจิตใจของเราก็ขึ้นขึ้นลงลงหวาดกลัวทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อตนเองจิตใจที่ปลอดโปร่งกลับเป็นอาณาจักรของความกลัวไม่อยากเหมือนกับคนอื่นไม่อยากซ้ํากับคนอื่นเท่ากับไม่กล้าแปลกแยกปลีกเปรี่ยวไปจากคนอื่น แต่แล้วก็เบื่อเบื่อกลัวกลัวต่อการซ้ำซากเหมือนคนอื่นถ้าเรามีคนรักแล้วคนอื่นมารักซ้อนเราก็โกรธและจองเวรกับผู้นั้นจิตใจของเราเป็นอาณาจักรของความกลัวเป็นสภาพที่วิววอนเหมือนประทีปดวงไฟซึ่งพร้อมเสมอที่จะดับจิตใจมนุษย์ตามธรรมดาพร้อมเสมอที่จะบ้าคลั่งผู้คนหน้าตาดีๆ หรือแม้แต่พระสงฆ์ถูกแย่นิดเดียวอาจกลายเป็นสัตว์ร้ายขึ้นมาทันทีนี้เองเป็นเขาเงินได้ว่าเรามีชีวิตเสี่ยงตลอดเวลาสัญชาตญาณในการดำรงอยู่ของเราเนื่องกับการแข่งดีกันในสังคมเพื่อนที่รักกันมากต่อมาอีกช่วงหนึ่งก็กลายเป็นศัตรูต่ อ, อ ก, กันมองหน้ากันไม่ติดมนุษย์จะรักกันได้อย่างไร รวมไปถึงความสัมพันธ์ฉันผัวเมียรจริงๆเป็นอย่างไรฉันพ่อกับลูกเป็นอย่างไรผมมองประตูอื่นไม่ออกนอกจากว่าเมื่อใดที่เราเรียกร้องต้องการจากชีวิตน้อยลงเมื่อนั้นเราจะรักคนอื่นเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นสามีเรียกร้องจากภรรยาไม่ว่าเรียกร้องความซื่อสัตย์ความเอาใจ อันนั้นคือปัญหาความสัมพันธ์นั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์หรือความพยายามให้ฝ่ายหนึ่งรับใช้หรืออิงกันอยู่ดังนั้นความสัมพันธ์นั้นก็เป็นสิ่งชั่วแล่นเมื่อสภาพอิงแอบชั่วแล่นแปลเปลี่ยนไปหรือมีที่อิงแอบอื่นๆความสัมพันธ์นั้นก็แตกร้าวเราจึงเห็นผัวเมียหยากรุ่ ก, กับแม่แตกกัน อนาดทาร้ายกันก็มีในที่สุดอาณาจักรของชีวิตก็ดูเสมือนว่าเป็นเรื่องเลวร้ายผิดพลาดไปหมดแล้วเราก็มีความเสียใจหัวใจของเราเศร้าโศกหม่นหมองหดหู่และทุกคนก็หงอยเหงาพ่อแม่บางคนพูดกับลูกไม่รู้เรื่องก็หงอยเหงาอยู่ดึกๆความเหงาเป็นคุณสมบัติที่แปลก ความเหงาไม่ใช่เรื่องของคนที่อยู่คนเดียวในทะเลทรายทุงย่งหญ้าหรือกระท่อมบนยอดเขาการอยู่เช่นนั้นไม่เหงาเลยถ้าเต็มใจอยู่แต่ความเหงาเกิดจากการพูดคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแทนที่จะเป็นเรื่องของคนคนเดียวกลับเป็นเรื่องของคนจำนวนมากความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ไม่จริงใจกันเลยพูดกันไม่ได้ พอพูดกับลูกซึ่งเลี้ยงมากับมือไม่รู้เรื่องก็เหงาในชีวิตเต็มไปด้วยความโศกแต่พูดไม่ได้ดังนั้นทุกคนจึงรู้สึกถึงความทุกข์ความไม่ปรารถนาความขมขื่นของชีวิตอย่างเงียบๆเก็บงามความเดียวโดดไว้โดยไม่รู้จะพูดกับใครอันนี้เป็นจุดอับแสงความหวังทั้งหมดของมนุษย์เรา ในการบรรลุถึงสิ่งดีๆนับตั้งแต่การไปอยู่ในรัฐหรือชุมชนที่ดีนั้นดูห่างไกลดูเหมือนสิ้นหวังในทุกทางถ้าเราเฝ้าดูหัวใจของเราไม่ใช่ดูสมองที่คิดเก่งดูที่หัวใจอันเศร้าโศก ข, ของเราบางช่วงจิตใจของเราหาความแช่มชื่นไม่ค่อยได้ตั้งแต่เช้าจนดเย็นหรือทั้งเดือนทั้งปี อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เข้าหัวใจของเราก็โศกเศร้าแล้วมีแต่เรื่องซึ่งไม่ค่อยทำให้เรามีพลังหรือพลานามัยแม้กระนั้นเราจำเป็นต้องมีขันติธรรมเพื่อฟันฝ่าวิกฤตทางอารมณ์ไปให้ได้โชคดีสำหรับผู้รู้ดักภาวนาและเพียรพยายามไม่ลดละในการรู้สึกตัวอย่างสม่ำเสมอ ยอดยาใจในท้ำกลางความสงเศร้านั้นมีสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชวนชื่นใจบทสลกสั้นๆนี้คงพอสื่อความหมายได้สิ่งที่หายากยิ่งคือมิ่งมิดเพื่อนจริงๆนั้นหายากไม่ใช่ง่ายเลยอย่าคิดว่ามีเงินแล้วจะหว่านซื้อมิดได้เราเอาเงินไปให้เพื่อนมารักเรา เขาก็เลยรักเงินของเราแทนเราเพื่อนที่แท้จริงนั้นเรียกว่าเพื่อนใจหรือยาใจเคยได้ยินหรือเปล่ายอดยาจิตยาใจเป็นผู้หญิงที่เรารักหรือผู้ชายที่เรารักคำว่ายาจิตแยกเป็นสองสั์คือยาหรือยารักษาโรคกับจิตใจยาใจหมายถึง สิ่งที่เยียวยาจิตใจเพราะเราได้พบเพื่อนที่แท้จริงเราจะเริ่มหายโศกเศร้าเพราะได้กัลยาณมิตรซึ่งม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆเมื่อพระอานน์ถวายงานพัดแก่พระพุทธองค์อยู่ท่านได้แสดงความรู้และความเข้าใจให้พระพุทธเจ้าทราบว่ากัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจารย์พรหมจารย์หมายถึง ชีวิตที่ประเสริฐเล็งเอาศีลสมาธิปัญญาและเอาความหลุดพ้นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงตัดห้ามว่าอยากก่ากล่าวเช่นนั้นแท้จริงกาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นรุ่งอรณุณของอริยธรรมพบเพื่อนที่ดีโดยเฉพาะเพื่อนที่รู้แจ้งถ้าเราครบหากับบุคคลที่รู้แจ้ง เท่ากับเราได้กระจกส่องตัวเองอย่างดีคือเราเข้าใกล้ผู้นั้นมากเราค่อยๆรู้จักตัวเองทีละน้อยโดยทั่วไปเราอาจมีมิตรที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปาปามิตรคือมิตรที่เป็นบาปมิตรเลวมิตรชักจูงในทางเสื่อมทางธรรมนั้นถือว่าการเจริญวิปัสสนาเป็นยอดของกุศลหัวเมียที่เจริญวิปัสสนา พ่อกับลูกร่วมเดินทางเดียวกันแม้หัวคิดต่างกันความรู้ต่างกันนั้นก็จริงแต่การตื่นของใจที่สว่างสวัยไล่เลี่ยกันแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นใจเดียวกันสองคนสองหัวแต่ใจเดียวกันเป็นยาจิตยาใจของกันและกันรู้ใจกันหัวคิดที่ต่างกันนั้นดีช่วยเสริมสร้างป้องกันทางความคิด แต่ขอให้เป็นใจเดียวกันตรับแต่ที่ยังเป็นใจเดียวกันจะขัดกันบ้างทะเลาะกันบ้างก็ไม่เป็นไรมีคนที่ร่วมใจกันคือร่วมทางกันผู้ร่วมทางคือคนที่ร่วมใจกันเพราะว่าทางนั้นเป็นทางเดินทางใจทางของความคิดเป็นเหมือนประตูกลสลับซับซ้อนเต็มไปด้วยซอกซอยแต่ทางของหัวใจนั้นง่ายๆ และตรงดี